ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าอ ธ, ธิจิตตสิกขาคือการฝึกปรือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและสมรรถภาพของจิตดังนั้นสมาธิซึ่งเป็นเป้าหมายของอธิธจิตตสิกขานั้นจึงหมายถึงภาวะจิตที่มีคุณภาพและมีสมรรถภาพดีที่สุด จิตที่เป็นสมาธิหรือมีคุณภาพดีมีสมรรถภาพสูงนั้นมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 1. แข็งแรงมีพลังมากท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกระแสน้ำที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทางเดียวย่อมมีกำลังแรงกว่าน้ำที่ถูกปล่อยให้ไหลพร่ากระจายออกไป 2. ราบเรียบสงบซึง้ง เหมือนสระหรือบึงน้ำใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมไม่พลิ้วไม่สั่นไหวสามใสกระจ่างมองเห็นอะไรอะไรได้ชัดเหมือนน้ำสงบนิ่งไม่เป็นเริวคลื่นและฝุ่นละอองที่มีก็ตกตะกอนนอนก้นหมด4นุ่มนวลแคล้วคล่องโคลนแก่งงาน หรือเหมาะแก่การใช้งานเพราะไม่เครียดไม่กระด้างไม่วุ่นไม่ขุนมัวไม่สับสนไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไวยพทีิแสดงความหมายของสมาธิคำหนึ่งคือเอกกตาแปลกันว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ถ้าว่าตามรูปสับจะเห็นลักษณะของจิตที่คล้ายกับในข้อแรกคือเอกกตา เท่ากับเอกบวกอัคระบวกตาตาท้ายคำอย่างนี้เป็นการแสดงว่าเป็นภาวะคำว่าอัคระที่นี่ท่านแปลว่าอารมณ์แต่ความหมายเดิมแท้คือจุดยอดหรือจุดปลายโดยในยน่นนี้จิตเป็นสมาธิก็คือจิตที่มียอดหรือมีจุดปลายจุดเดียวซึ่งย่อมมีลักษณะแหลมพุ่ง รวมมุ่งดิ่งไปหรือแทงทะลุไปได้ง่ายจิต ท, ที่เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งสมาธิถึงขั้นฌานพระอัตถกถาจารย์เรียกว่าอัตถคสมันนาคตาจิตจิตพร้อมด้วยองแปดองแปดนั้นท่านนับจากคำบรรยายที่เป็นพุทธพจน์นั่นเองกล่าวคือ 1. สมาหิตะตั้งมั่น 2. ปริสุทธะบริสุทธิ์ 3. ปริโยธาตะผ่องใส 4. อ่อนงคณะโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลา 5. วิคตูปกิเลตปราศจากสิ่งมัวหมอง 6. มุทุภูตะนุ่มนวล 7. กรรมนิยะควรแก่งาน8 ทิตะอาเนนชัปปัตตะอยู่ตัวไม่วอกแวกหวั่นไหวท่านว่าจิตที่มีองค์ประกอบเช่นนี้เหมาะแก่การนำเอาไปใช้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเอาไปใช้งานทางปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้เข้าใจถูกต้องแจ้งชัดหรือใช้ในทางสร้างพลังจิตให้เกิดอภิญญาสมาบัติอย่างใดๆก็ได้ตามที่กล่าวมานี้มีข้อคลย้าว่า ลักษณะเด่นที่สุดของจิตที่เป็นสมาธิซึ่งสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของสมาธิด้วยก็คือความควรแก่งานหรือความเหมาะแก่การใช้งานและงานที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็คืองานทางปัญญาอันได้แก่การใช้จิตที่พร้อมดีเช่นนั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาในการพิจารณาสภาวธรรมให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริงโดยนัยนี้ จึงควรย้ำเพิ่มไว้อีกด้วยว่าสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่อาการที่จิตหมดความรู้สึกปล่อยตัวตนเข้ารวมหายไปในอะไรอะไรแต่เป็นภาวะที่ใจสว่างโปร่งโล่งหลุดออกจากสิ่งบดบังบีบคั้นกั้นขวางเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองตื่นอยู่เบิกบานพร้อมที่จะใช้ปัญญาพึงพิจารณาพุทตพจน์ต่อไปนี้ ในอาวรณสูตรอังกุตรนิกายปัญจการนิบาตมีพุทุพ์ว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการต่อไปนี้เป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวรเป็นสิ่งที่กดทับจิตทำให้ปัญญาอ่อนกำลังห้าประการกล่าวคือกามฉันทะพยาบาททีณมิทธะอุททจกุกุจจะ วิจิกิจฉาภิกษุไม่ละทำหประการที่เป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวรเป็นสิ่งที่กดทับจิตทำปัญญาให้อ่อนกำลังแล้วจากรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจากประจักแจ้งซึ่งยางนทัศนะอันวิเศษที่สามารถทำให้เป็นอริยะซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กาลังข้อนี้ ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่เกิดบนภูเขาไหลลงเป็นสายยาวไกลมีกระแสเชี่วพัดพาสิ่งที่พอจะพัดเอาไปได้บุรุษเปิดปากเมืองออกทั้งสองข้างของแม่น้ำนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นกระแสน้ำท่ามกลางแม่น้ำนั้นก็กระจายสายพรารเขวคว้างไม่แล่นไหลไปไกล ไม่มีกระแสเชี่ยวและพัดพาสิ่งที่พอจะพัดเอาไปไม่ได้ครั้งหนึ่งในสังขารวาสูตรอังกุตระนิกายปัญจการิบาตสังขารวัสพราหมณ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าและพระองค์ได้ตรัสตอบดังนี้พรามณ์ถามว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ในบางคราวมนทั้งหลาย แม้ที่ได้สาธยายมาแล้วตลอดเวลายาวนานก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้สาธยายและอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ในบางคราวมนทั้งหลายแม้ที่ไม่ได้สาธยายตลอดเวลายาวนานก็แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ได้สาธยายพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกรพราหมณ์ในเวลาใด บุคคลมีใจกลุ่มรุมด้วยการมาราคะถูกกามาราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งทางออกแห่งการมาราคะที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นเขาย่อมไม่รู้ชัดมองไม่เห็นตามเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนทั้งหลายแม้ที่ได้สาทยายมาตลอดเวลายาวนาน ก็ย่อมไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้สาธยายคำว่าไม่แจ่มแจ้งในที่นี้หมายถึงนึกไม่ออกหรือคิดไม่ออกบุคคลมีใจกลุ่มรุมด้วยพยาบาทที่นามิธะอุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาก็เช่นเดียวกันและทรงเปรียบจิตที่ถูกนิวรณ์ข้อต่างๆครอบงำดังต่อไปนี้หนึ่ง จิตที่ถูกกามราคะครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งเอาสีครั่งบ้างสีขมิ้นบ้างสีเขียวบ้างสีแดงอ่อนบ้างผสมปนกันไว้คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงสองจิต ท, ที่ถูกพยาบาทครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้าที่เอาไฟเผาลน เดือดพล่านมีไอพลุ่งคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้น <3. S 1> ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 3. จิตที่ถูกถีนมิทธะครอบงําเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ําที่ถูกสาหรายและจอกแหนปกคลุมคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้น <4. S 1> ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงส จิตที่ถูกอุดทะจักกุกุจจักครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ถูกลมพัดไหวกระเพื่อมเป็นคลื่นคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงหจิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ขุนมัวเป็นตมซึ่งวางไว้ในที่มืด คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในผาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงส่วนบุคคลที่ใจไม่มีนิวรณ์ห้าครอบงาและรู้ทางออกของนิวรณ์หที่เกิดขึ้นแล้วจ่อมรู้เห็นตามเป็นจริงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนแม้ที่มิได้สาทยายตลอดเวลายาวนานก็แจมแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ได้สาธยาย และมีอุปมาต่างๆตรงข้ามกับที่ได้กล่าวมาแล้วในอุปกิเลสสูตรอังคุตตระนิกายปัญจการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสแห่งทองห้าอย่างต่อไปนี้ทองเปื้อนปนเข้าด้วยแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไม่อ่อนไม่ควรแก่งานไม่สุกปลังเกราะไม่เหมาะที่จะนำไปทำอะไรอะไร ห้าอย่างเป็นจะไหนได้แก่เหล็กโลหะอื่นดีบุกตะกัวและเงินเมื่อใดทองพ้นจากอุปกิเลห5ประการเหล่านี้แล้วก็จะเป็นสภาพอ่อนควรแก่งานสุกปลังไม่เปราะเหมาะที่จะนำไปทำอะไรอะไรได้ดีกล่าวคือช่างทองต้องการทำเครื่องประดับชนิด ใ, ใด จะเป็นแหวนตุ้มหูสร้อยคอหรือสวนมาลาก็ตามย่อมสำเร็จผลที่ต้องการฉันใดอุปกิเลสแห่งจิตห้าอย่างต่อไปนี้จิตพัวพันเศร้าหมองเข้าแล้วย่อมไม่นุ่มนวลไม่ควรแก่งานไม่ผ่องใสเปราะเสาะและไม่เป็นสัมมาสมาธิคือไม่ตั้งมั่นด้วยดี เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวัต ท, ทั้งหลายฉันนั้นห้าอย่างเป็นฉไนได้แก่กามฉันทะพยาบาทถีนามิทั์อุทธจากุกุจจะและวิจิกิจฉาเมื่อใดจิตพ้นจากอุปกิเลห้าประการเหล่านี้แล้วก็จะเป็นสภาพอ่อนโยนควรแก่งานผ่องใสไม่เปราะเสาะและเป็นสัมมาสมาธิ คือย่อมตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอนหนึ่งเธอจะน้อมจิตไปเพื่อรู้จำเพาะประจักษ์แจ้งซึ่งอภิญญาสัจชิการณียธรรมคือน้อมจิตไปเพื่อรู้สิ่งที่พึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยการรู้เจาะตรงอย่างใดๆก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นปัญญาในธรรมนั้นๆได้ในเมื่อเหตุมีอยู่มีพุทธพจน์บางแห่ง เช่นในสีละสูตรอังคุตรนิกายจตุกกนิบาตและในสัมปันนสูตรกุตกานิกายอิติบุตกะพระพุทธเจ้าตรัสว่า้าภิกษุปราศจากนิวรทั้งห้าและได้เริ่มทำความเพียรไม่ย่อย่อนมีสติกำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายผ่อนคลายสงบไม่เครียดกระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ว่าเธอจะเที่ยวไปอยู่ก็าตาม ยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตปะได้เริ่มระดมความเพียรต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นผู้อุทิศตัวเด็ดเดียวแล้วการพยายามํำระจิตไม่ให้มีนิวรเป็นความหมายอย่างหนึ่งของหลักธรรมที่เรียกว่าชาคริยานุโยกการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่หรือ การประกอบความตื่นข้ออุปมาของพระอัฏฐกถาจารย์เกี่ยวกับสมาธินี้ก็น่าฟังท่านว่าสมาธิทําให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อย่างสม่ําเสมอทําให้องค์ธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับมันผนึกประสานกันอยู่ไม่พร่าไม่ฟุ้งกระจายเหมือนน้ําผนึกประสานแป้งเข้าเป็นก้อนเดียวและทําให้จิตสืบต่ออย่างนิ่งแน่วมั่นคง เหมือนเปลวเทียนในที่สงัดลมติดไฟอยู่สงบนิ่งลุกไหม้ไปเรื่อยๆส่องแสงสว่างสม่ำเสมอเป็นอย่างดี